ตอนที่หนึ่งร้อท้องนี้ต้องเป็นลูกชายแน่ๆท่านผู้ท้โปรดวางใจได้เลยครับรับรองว่าหลังจากนี้จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนตอนนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นกับทันหันผมเลยไม่ทราบเรื่องถ้าผมรู้ละก็ไม่มีทางปล่อยให้นักศึกษาคนไหนต้องถูกทําให้ลําบากใจเด็ดขาดอธิบดีห่วงกล่าวด้วยน้ําเสียงจริงใจมุมปากของเขาประดับด้วยรอยยิ้มเกอ้อเขินตัวผมเองก็มาจากครอบครัวยากจนแน่นอนว่ายอมเข้าใจดีว่าการใช้อํานาจข่มเหงผู้อื่นนั้นน่ารังเกียจเพียงใดคุณเข้าใจได้ก็ดีแล้ว ท่านผู้เฒ่าเจิมพยักหน้าเรื่องนี้หลักๆยังต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของหลานสาวผมตอนนี้เธอได้รับคําเชิญจากมหาวิทยาลัยการแพทย์เขตทหารภาคใต้แล้วซึ่งที่นั่นก็ไม่ได้ได้ไปกว่าโรงเรียนของคุณเลยรอยยิ้มของอธิบดีหัวแข็งค้างบนใบหน้าอีกครั้งหากมีการย้ายโรงเรียนในช่วงหน้าสื่อหน้าขวานแบบนี้ชื่อเสียงของโรงเรียนจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสหายหลีหวัดลองพิจารณาดูอีกสักหน่อยเถอะมหาวิทยาลัยการแพทย์เขตทหารภาคใต้อยู่ใกลบ้านมากนะคุณปู่ขนูขี้เกียจย้ายที่ค่ะ ลิวันกล่าวออกมาตรงๆตกลงปู่ตามใจหลานทันพูเทาเจิงมองเธอด้วยสายตาเอ็นดูถ้าหลานอยากกลับไปเรียนต่อที่เดิมก็เรียนไปเถอะเรื่องนี้ปู่แจ้งให้ทางผู้นำเขตทหารทราบแล้ววันหน้าถ้าพวกเขายังกล้ารังแกหลานอีกปู่จะสั่งเปลี่ยนตัวคณะผู้บริหารโรงเรียนยกชุดเลยอธิบดีห่วงแย่แล้วนี่มันตัวบรญพบรุษมาเกิดชัด หลี่ชิงทิงไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นจนกระทั่งตอนกลางวันเห็นหลีหวันอยู่ที่บ้านถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอรู้สึกปวดใจที่ลูกสาวต้องถูกรังแกแต่ในขณะเดียวกันก็คิดว่านี่เป็นประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเติบโตในใจจึงรู้สึกสับสนวุ่นวายหลังจากหลีหวันกลับไปโรงเรียนเธอก็กลุ้มใจจนนอนไม่หลับเจิ้งอวินชงเห็นท่าทางของเธอในตอนนี้ดูผิดปกติมากไม่รู้ว่าคนเป็นแม่ทุกคนจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า ชิงพิงเสวานรู้จักโทรหาผมก็แสดงว่าเธอไม่ใช่เด็กที่จะยอมให้ใครมารังแกง่ายๆแบบนี้คุณยังมีอะไรไม่สบายใจอีกคนอื่นจะเป็นยังไงเราไม่สนแต่ขอแค่ลูกเราถูกรังแกแล้วไม่ทําตัวขี้ขลาดก็พอเจิ้งหวินฉงกล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่นผมเห็นช่วงนี้คุณเหนื่อยเกินไปแล้วพรุ่งนี้ผมพาคุณไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลดีไหมถือเสียว่าเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีตั้งแต่คุณคลอดลูกมาก็ยังไม่ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเลยตกลงไหมฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ ลีชิงพิงไม่ชอบไปโรงพยาบาลโดยไม่มีเหตุจำเป็นร่างกายของเธอก็ยังแข็งแรงดีผมเองก็ต้องไปตรวจร่างกายเหมือนกันถือว่าไปเป็นเพื่อนผมเธอนะหืมเจ้งางวินช่อนจนลีชิงพิงยอมตกลงในที่สุดวันต่อมาเมื่อไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลผลปรากฏว่าร่างกายไม่มีปัญหาอะไรแต่กลับมีเรื่องให้ประหลาดใจเป็นพิเศษลีชิงพิงสงสัยว่าตัวเองหูฝาดไปจึงถามย้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจฉันท้องเหรอคะใช่ครับ เด็กอายุได้สองเดือนแล้วพัฒนาการดีมากคุณหมอกล่าวแสดงความยินดีช่วงสองเดือนที่ผ่านมาหลีชิงถิงไม่รู้สึกผิดปกติอะไรเลยดูเท่าว่าท้องนี้จะเหมือนกับตอนท้องลูกชายเป็นเด็กดีแล้วว่านอนสอนง่ายรู้จักที่จะไม่ทําให้แม่ต้องลําบากเจิ้งอวินชงที่ได้ยินก็ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกท้องอีกแล้วเหรอเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีลูกคนที่สามตอนนี้มีทั้งลูกชายและลูกสาวก็ดีมากแล้วแน่นอนว่าเขาไม่แน่ใจว่าเป็นพระร่างกายของใครที่แข็งแรงกันแน่ ลี่ชิงพิงกลับรู้สึกยินดีกับเรื่องนี้เด็กมาเกิดก็ถือว่าเป็นวาสนาหลังจากหายตกใจเจิ้งอวินชงก็รีบนําข่าวดีนี้ไปบอกพ่อกับแม่ทันทีเจ้าชุนฮาวากับท่านผู้เฒ่าเจิงยอมคิดว่าการมีลูกมากคือวาสนามากหากท้องนี้เกิดมาเป็นหลานสาวก็คงจะดียิ่งขึ้นไปอีกปกติเจ้าชุนฮาวาต้องดูแลหลานชายสองคนไม่มีเวลาว่างไปดูแลหลานชายคนเล็กจึงทำได้เพียงจ้างคนมาช่วยดูแลส่วนลี่ชิงพิงในช่วงตั้งครรก็ให้พักผ่อนให้เต็มที่เรื่องงานในบ้านนอกบ้านไม่ต้องให้เธอต้องกังวล ในขณะเดียวกันทางด้านลิวเคอรเคอรก็มีข่าวดีเช่นกันเธอก็ตั้งท้องแล้วแต่บรรยากาศในบ้านกลับแตกต่างจากตระกูลเจิ้งอย่างสิ้นเชิงลิวเคอเคอรู้สึกว่าเด็กคนนี้มาเร็วเกินไปลูกสาวคนโตอย่างเลี้ยงได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะักภาษาอะไรกับการต้องเลี้ยงอีกคนเธอคิดจะไปเอาเด็กออกรอให้ฐานะทางบ้านดีกว่านี้ค่อยมีใหม่แต่พอหนิวซูเฟินรู้เรื่องเขาก็ไม่ยอมท้องนี้แกต้องได้ลูกชายแน่ๆถ้าแกกล้าทำร้ายหลานชายคนโตของฉลัดก็ท้องหน้าแกได้ลูกสาวอีกแน่ ไม่ได้นะหลิวเคอเคอฉันขอเตือนแกไวเลยถ้าแกกล้าทําร้ายหลานชายคนโตของฉันฉันไม่จบกับแกแน่เจียนเย่ยแกพูดอะไรบ้างสิเด็กคนเดียวบ้านเรายัางเลี้ยงไหวอย่างมากพวกผู้ใหญ่อย่างเราก็แค่กินข้าวให้น้อยลงหน่อยจะเป็นไรไปความคิดของโจเจียนเย่ยเหมือนกับหลิวเคอเคอร์อเด็กคนนี้มาไม่ถูกเวลาตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของที่บ้านก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วยิ่งถ้ามีลูกอีกคนไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็เลี้ยงไม่ไหวทั้งนั้นเขายกมือขึ้นถูใบหน้าด้วยความกลัดกลุ้ม แม่ครับเรื่องลูกให้เราสองคนตัดสินใจกันเองได้ไหมแม่ไม่ต้องมายุ่งหรอกไม่ได้หนิวซูเฟินยืนกรานเสียงแข็งในเรื่องของหลานชายคนโตเธอไม่มีวันยอมถอยแม่โจเจี้นี่อดไม่ได้ที่จะขึ้นเสียงทำไมยากได้หลานชายคนโตนะักก็เอาเงินออกมาสิครับถ้าไม่มีเงินก็อย่ามาขวางการตัดสินใจของเราเลยได้งัินก็ขายเรือนเก่าของบ้านเราไปขายที่ดินของบ้านเราด้วยฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะเลี้ยงเด็กคนเดียวไม่ไหวหนิวซูเฟินกล่าวต่อ น้องสาวแกกาลังจะแต่งงานสินสอดที่เขาให้มาไม่ต้องให้มันเอากลับไปแม้แต่เฟืองเดียวเอามาให้หลานชายคนโตของฉันใช้ให้หมดแบบนี้พอใจหรือยังลิวเคอร์เคอแอปกรอกตาหนิวซูเฟินเพื่อหลานชายคนโตแล้วทําได้ทุกอย่างจริงๆแม้แต่ลูกสาวแท้ๆของตัวเองก็ยังหักหลังได้แต่ว่าตอนนี้ยังรับประกันไม่ได้ว่าในท้องจะเป็นลูกชายถ้าเกิดคลอดออกมาเป็นลูกสาวอีกสิ่งที่หนิวซูเฟินรับประกันไว้ทั้งหมดมิต้องสูญเปล่าหรือลิวเคอร์เคอร์ลังเลเล็กน้อยและถ้าเกิดเป็นลูกสาวล่ะคะ แม่จะบีดคอเด็กให้ตายเลยหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ฉันบอกว่าเป็นหลานชายก็ต้องเป็นหลานชายสินิวซูเฟินปฏิเสธคําพูดของหลิวเคอเคอร์ทันควันโจจีน้นเย่ขมวดคิ้วแน่นขายบ้านขายที่ดินไม่ได้เด็ดขาดนั่นเป็นสมบัติของตระกูลเราต่อไปในหมู่บ้านจะไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่บ้านเกิดก็จะไม่เหลือตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดนิวซูเฟินโบกมือปัดอย่างไรเสียก็ต้องรักษาหลานชายคนโตเอาไว้ให้ได้ก่อน โจวเจี้ยนเ ย, ย่ไม่พูดอะไรเขาเองกายพิงพางคิดตามที่แม่พูดตอนนี้พวกเขายังต้องเช่าบ้านอยู่ต่อไปจะทำอย่างไรถ้าขายบ้านที่บ้านเกิดไปพวกเขาทั้งครอบครัวจะไม่มีแม้แต่ที่สุขหัวนอนการเช่าบ้านไม่ใช่แผนการในระยะยาวเลยถ้ารู้ว่าชีวิตจะเป็นแบบนี้สู้โจวเจี้ยนเ ย, ย่ถอนหายใจ ไม่ว่าเด็กคนนี้จะเป็นลูกชายหรือลูกสาวเราจะเอาแค่คนนี้คนเดียวต่อไปท่าท้องอีกก็จะไม่เอาแล้วถ้าพวกแม่กลัวว่าจะสิ้นทายาสืบสกุลตระกูลโจแม่กับพ่อก็ไปเกิดใหม่เอาเองเถอะได้เอาตามที่แกพูดพวกแกต้องเก็บเด็กคนนี้เอาไว้หนิวซูเฟินผ่อนคลายลงเล็กน้อยขอแค่ลูกชายไม่ยืนกรานจะเอาเด็กออกเธอก็เ บ, เบาใจแล้ว พ่อหลิวเคอร์เคอร์ท้องก็ไม่สามารถออกไปทำงานได้ลำพังแค่คนเดียวหาเลี้ยงทั้งบ้านย่อมไม่ไหวหนิวซูเฟิร์นจึงเสนอขึ้นมาทันทีว่าจะกลับไปที่บ้านเกิดสักรอบเธอต้องไปจัดการเรื่องงานแต่งของลูกสาวให้เรียบร้อยและถือโอกาสเรียกค่าสินสอดเพิ่มด้วย